หลายคนก็จะพูดว่าพูดง่ายแต่ทำยากนะจริงการปล่อยการวางไม่น่ายากนะไอ้สิ่งที่มันยากก็คือการยึดต่างหา ก, การยึดการแบกลองนึกภาพสุนว่ามีหินหรือของหนักสักอย่างหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างหน้าเราจะเป็นโต๊ะก็ได้นยะลองแบกดูสิหลายคนก็จะโสโูหมันมันแบกนี่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 สร้างนิสัยนะฟุ้งซ่านโดยการทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันและพอเหตุ น, นี้แหละนะเวลาจะหาของเลยหาไม่เจอเพราะาตอนที่วางของเนี่ยใจมันล อ, อยคิดโน่นคิดนี่ลองสร้างนิสัยใหม่นะเวลาจะวางของอะไรเนี่ยก็วางอย่างมีสติรู้สึกตัวไม่ผุนผันเวลาทำอะไรก็ทาด้วยความรู้สึกตัวคิดอะไรมันก็